วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19พุท้พฤษภาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบ ร, ริษัท์ผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้า เพื่อนำมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจของตนการฟังธรรมนี้มีอ น, นิสงส์อยู่ห้าประการด้วยกันคือประโยชน์ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองถ้าเคยได้ยินได้ฟังธรรมมาแล้ว พอฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ 3. จะกาจัดความลังเลสงสัยต่างๆได้ 4. ทํทำให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญาและทําทำให้จิตใจสงบผ่องใส การที่จะฟังธรรมเพื่อให้ได้รับอนิสงเหล่านี้ได้รับประโยชน์เหล่านี้จำเป็นที่จะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบเพราะถ้ากายวาจาใจไม่สงบจะไม่สามารถที่จะฟังธรรมได้อย่างต่อเนื่องธรรมะก็จะไม่สามารถเข้าสู่ใจได้อย่างสม่ำเสมอ ถ้าต้องการให้ธรรมะเข้าสู่ใจอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนไม่ขาดหายผู้ฟังจําเป็นที่จะต้องฟังด้วยกายที่สงบวาจาที่สงบและใจที่สงบกายที่สงบก็คือให้นั่งกายนั่งอยู่เฉยๆไม่ให้ทําอะไรไม่ให้ทําอะไรทํางานไปแล้วก็ฟังทำไปด้วย พราถ้าต้องทำงานใจก็จะไปอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่เสียงธรรมที่เข้ามาก็อาจจะเข้ามาบ้างไม่เข้ามาบ้างแล้วแต่ว่าจะหันมาฟังธรรมในช่วงไหนบ้างแต่ถ้านั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยก็จะได้ตั้งใจฟังธรรมได้อย่างต่อเนื่อง วาจาก็ต้องสงบก็คือไม่ต้องไม่สนทนากันไม่คุยกันเพราะเวลาสนทนาเวลาคุยกันใจก็จะต้องอยู่กับเรื่องที่สนทนาเรื่องที่คุยกันก็จะไม่ได้ฟังธรรมในช่วงที่คุยกันจึงจำเป็นที่จะต้องไม่คุยกันวาจาก็ต้องสงบแน้าใจก็ต้องสงบ ป่วใจต้องไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้คิดอยู่กับเรื่องของธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับใจเท่านั้นแม้แต่การบริกรรมพุโทโธหรือการดูลมหายใจในขณะที่ฟังธรรมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำเพราะว่ามันจะทำให้ใจนี้ต้องวิ่งไปวิ่งมาระหว่างการฟังธรรม กับการบริกรรมพุโทโธหรือกับการดูลมหายใจเข้าออกในช่วงที่ฟังธรรมนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คำบริกรรมพุโทโธไม่จำเป็นจะต้องดูลมหายใจเข้าออกให้ใช้ธรรมมานุสติ<ม>ให้มีสติอยู่กับการฟังธรรมธรรมที่ฟังอยู่นี้ก็เรียกว่าธรรมมนุสติ ถ้าสามารถฟังธรรมด้วยกายวาจาใจ <c oughs> ที่สงบได้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังธรรมย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทาให้ได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถ้าธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะทาให้ความสงสัย ในธรรมต่างๆนั้นหมดสิ้นไปได้สี่จะทำให้เกิดปัญญาความรู้ที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องห้าทำให้จิตใจสงบผ่องใสนี่คือประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังธรรมธรรมะของพุทธเจ้าก็มีหลายหลายเรื่องหลายหัวข้อด้วยกันการฟังธรรมก็ต้องฟัง บ่อยๆฟังหลายๆครั้งด้วยกันเพราะว่าเวลาฟังครั้งแรกนี้ก็อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ได้หรือไม่เข้าใจเลยก็ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยต้องรู้จักต้องหัดทำความเข้าใจเช่นเรื่องของกรรมกรรมก็คือการกระทา ที่เราบางจะได้ยินบทสวดที่สวดกันว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมมันใดไว้ดีหรือชั่วเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราอาจจะได้ยินได้ฟังบทนี้มาอยู่เรื่อยๆแต่เรายังอาจจะไม่เข้าใจว่าใครเป็นผู้กระทำกรรมเพราะว่า เรามักจะคิดว่าร่างกายนี้เป็นผู้กระทำกรรมกันแต่ความเป็นจริงแล้วผู้ที่กระทำกรรมนี้คือใจใจผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวทาอะไรต่างๆร่างกายนี้ไม่สามารถทำอะไรได้โดยตามลำพังของตนเองถ้าไม่มีใจมาสั่งร่างกายก็จะอยู่เฉยๆเป็นตอนนี้ ใจไม่ได้สั่งให้ร่างกายไปทำอะไรร่างกายก็เลยไม่มีการขยับเขยื่อนพอใจสั่งให้ร่างกายขยับเขยื่อนร่างกายจึงจะสามารถขยับเขยื่อนได้ดังนั้นเรื่องของการกระทำกรรมต่างๆไม่ว่าจะทำบุญก็ดีทำบาป ก, ก็ดีเราต้องเข้าใจว่าผู้ที่กระทำนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่กระทำ คือใจใจนี้คือใครใจนี้เป็นธาตุรู้หรือที่เราเรียกว่าดวงวิญญาณเวลาที่ไม่ได้อยู่กับร่างกายใจเราก็จะเรียกว่าธาตุรู้หรือดวงวิญญาณธาตุรู้นี้เป็นเป็นสิ่งที่มีความสามารถคือสามารถรู้อะไรต่างๆได้สองสามารถคิด สามารถสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆได้อันนี้แหละคือผู้ที่กระทำกรรมที่แท้จริงร่างกายเป็นเหมือนเครื่องมือเท่านั้นเองดังนั้นเวลาผลที่จะเกิดขึ้นต้องจึงเกิดขึ้นกับผู้กระทำไม่ได้เกิดกับผลไม่ได้เกิดกับเครื่องมือเช่นถ้าเราเปรียบเทียบถ้าเรามีมีด นั่งกายใช้มีดไปทําคุณประโยชน์ก็ได้ไปทําร้ายผู้อื่นให้เสียชีวิตก็ได้แต่เวลาที่ทําแล้วใครเป็นผู้ที่รับผลของการกระทํามีดนี้ไม่ได้ถูกจับไปลงโทษถึงแม้ว่ามีดนี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทําร้ายทําร้ายชีวิตของผู้แต่ผู้ที่จะถูกจับไปลงโทษ ก็คือผู้ใช้มีดผู้ใช้มีดก็คือร่างกายมีดนี้ไม่ได้รับโทษแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้จับมีดไปลงโทษเพียงแต่เอามีดไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อที่จะได้ไม่เป็นเครื่องมือของผู้อื่นต่อไปเท่านั้นเองเช่นเดียวกับถ้าเราใช้มีดไปในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์มีดก็ไม่ได้รับรางวัล เวลาที่มีรางวัลให้ให้ได้รับผู้ที่จะได้รับรางวัลก็พูดคือผู้ที่ใช้มีดนั่นเองอันนี้เปรียบเทียบระหว่างร่างกายกับมีดร่างกายเป็นผู้กระทํามีดเป็นเครื่องมือในการกระทําทีนี้เรามาพูดถึงใจกับร่างกายใจนี้เป็นผู้กระทํากรรมต่างๆ ด้วยการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการกระทำร่างกายใจอยากจะทำร้ายผู้อื่นก็สั่งให้ร่างกายไปทำร้ายผู้ใจอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้่ใจก็เป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทำคุณทำประโยชน์ผู้ที่รับผลของการกระทำคุณหรือกระทาโทษ ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รับผลโดยตรงก็คือใจเวลาใจสั่งให้ร่างกา ย, ายไปทํทำบุญทำประโยชน์ใจก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาเวลาใจสั่งให้ร่างกายไปทำบาปไปทำโทษไปทำร้ายผู้อื่นใจก็จะเป็นผู้รับความทุกข์เกิดความทุกข์ขึ้นมาที่ใจดังนั้นเราต้องมอง เราต้องเข้าใจหลักของกรรมว่าหลักของกรรมนี้เกี่ยวกับจิตใจโดยตรงร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือซึ่งอาจจะได้รับโทษบ้างก็ได้หรืออาจจะได้รับ <c oughs> ได้รับรางวัลได้รับประโยชน์บ้างก็ได้แต่ไม่แน่นอนเช่นบางทีคนบางคนไปทำทำบาปไปทำไปช่อโกลงไปลักทรัพย์ของผู้อื่น แต่อาจจะไม่ถูกจับไปลงโทษก็ได้เพราะอาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กระทาหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถหาหลักฐานมาเพื่อมาจับบุคคล น, นั้นไปลงโทษได้ผลยังไม่เกิดกับร่างกายคนทําชั่วที่ได้ดิบได้ดีก็มีถมเถไปซึ่งมักจะมีคําพูดว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีมีถมไป คนทำดีก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลได้รับการตอบแทนอะไรก็มีเพราะไม่มีใครรู้ว่าได้ทำความดีไปก็เลยไม่มีใครมามอบรางวัลให้นี่คือทางทางด้านร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือของการกระทำบุญหรือของการกระทำบาปร่างกายจึงไม่ได้เป็นผู้ที่รับผลบุญผลบาปโดยตรงอาจจะได้รับผล ผลพลอยได้ซึ่งอาจจะได้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอย่างอื่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำบุญหรือการกระทำบาปโดยตรงแต่ผู้ที่รับผลบุญผลบาปโดยตรงนี้ก็คือใจใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะรับผลเวลาทำบุญใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเวลาทำบาป ใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาและเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจนี้ก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้อยู่ต่อไปใจนี้จะเป็นผู้ไปรับผลบาปผลบุญต่อไปขึ้นอยู่กับว่าบาปก บ, บุญที่ได้ทําไว้ฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่ากัน ถ้าฝ่ายบาปมีกำลังมากกว่ากันใจก็จะไปรับผลบาปด้วยการไปเกิดไปอยู่ในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างนรกสวรรค์นี้มีจริงเพียงแต่ว่าผู้ที่ไปรับผลของนรกของสวรรค์นี้ของบุญของบาปนี้ ไม่ใช่ร่างกาย <c oughs> ถ้าเรามองว่าถ้าเราคิดว่ามีร่างกายเป็นผู้กระทําเพียงคนเดียวเราก็จะสงสัยว่าแล้วเวลาร่างกายตายไปใครไปสวรรค์ใครไปนรกร่างกายนี้ไม่ได้ไปต่อร่างกายนี้ทํามาจากธาตุสี่ดินน้ําลมไฟ <c oughs> เวลาร่างกายตายไปธาตุสี่ที่มารวมตัวเป็นร่างกายก็จะแยกออกจากกันไป ธาตก็จะกลับคืนสู่ธาตุเดิมธาตุน้ำก็ไปสู่ธาตุน้ำธาตุลมก็ไปสู่ธาตุลมธาตุไฟก็กลับคืนสู่ธาตุไฟธาตุดินก็กลับคืนสู่ดินไปร่างกายจริงๆไม่ได้เป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปไม่ได้หมายความว่าไม่มีสวรรค์ไม่มีนรก เพียงแต่เพราะว่าร่างกายไม่ได้เป็นผู้ไปรับเท่านั้นเพราะร่างกายไม่ได้เป็นผู้กระทําบาปโดยตรงไม่ได้ทําบุญโดยตรงจึงไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปก็คือใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้เป็นธาตุรู้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันตาย เป็นสิ่งที่ <c oughs> มีความรู้สึกนึกคิดในตัวของตัวเองใจนี้มีความสามารถอยู่ห้าห้าประการด้วยกันคือหนึ่งมีความสามารถที่จะรู้อะไรต่างๆได้สองมีความรู้สึกรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกสามมีความสามารถที่จะจาได้หมายรู้ได้ จำสิ่งต่างๆที่เคยไปสัมผัสไปรับรู้มาไปเห็นมาไปได้ยินมาได้แล้วก็มีความสามารถที่จะคิดปรุงแต่งคิดในเรื่องราวต่างๆคิดจะทำดีคิดจะทำไม่ดีคิดจะทำบุญคิดจะทำบาตแล้วก็ใจมีความสามารถที่จะส่งกระแสวิญญาณ น, นี้ไปเกาะกับร่างกายเวลาที่ไปเกิดใหม่ เวลาที่ดวงวิญญาณไม่มีร่างกายเป็นดวงวิญญาณพอได้พ้นจากอำนาจของบุญหรือของบาปแล้วดวงวิญญาณนี้ก็จะไปรอรับร่างกายอันใหม่พอมีร่างกายอันใหม่สร้างขึ้นมาโดยพ่อแม่คนใหมใจก็จะส่งกระแสวิญญาณไปเกาะที่ตาหูจ ม, กมูกนิวกายของร่างกายันใหมเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้ เป็นเครื่องมือในการไปทำบุญทำบาปเป็นเครื่องมือในการไปหาความสุขต่างๆจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ก็คือโลกธรรม ท, ทั้งสี่ได้แก่ลาบยศสนรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือทางรูปเสียงกลิ่นรสสดสะพานึงนี่คือใจที่เป็นผู้ที่ไปเกิดใหม่ใบเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อย ช่วงที่ยังไม่ได้เกิดก็เป็นช่วงที่ต้องไปรับผลบุญผลบาปถ้าบาปมีกําลังมากกว่าก็ไปรับผลบาปไปอยู่ในอบายถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะส่งให้ใจไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆเรื่องสวรรค์เรื่องอบายหรือนรกนี้เป็นอย่างไรเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ ในช่วงที่เรานอนหลับเนี่เวลาที่เรานอนหลับนี้ร่างกายก็เหมือนคนตายร่างกายก็ไม่ได้ทําอะไรช่วงนั้นก็เหมือนคนตายเพียงแต่ว่าตายแบบชั่วคราวเท่านั้นเองตอนนั้นร่างกายไม่ได้ไปรับรูปเสียงกิริยลดโภภพธิภะเข้ามาใจใจที่ระหว่างที่ร่างกายนอนหลับใจไม่สามารถที่จะหาลูกเสียงกิริยลดโภภพธะ มาเสพได้ใจก็เลยใช้บุญหรือบาปที่ได้ทำไว้เป็นเครื่องที่จะมาสร้างเหตุการณ์ต่างๆให้ใจได้เสพได้สัมผัสนี่เช่นในขณะที่นอนหลับเรามักจะฝันไปกันบางทีเราก็ฝันดีบางทีเราก็ฝันร้ายเหตุที่ทำให้เราฝันดีก็คือบุญที่เราได้ทำไว้ แล้วก็เหตุที่ทำให้เราฝันร้ายก็คือบาปที่เราเคยได้ทำที่เราได้เคยทำไว้นี่อันนี้แหละบุญและบาปนี่แหละเป็นผู้ที่จะสร้างฝันให้ให้กับใจให้กับดวงวิ ญ, ญญาณตอนที่ไม่มีร่างกายตอนที่เรานอนหลับนี้ก็เหมือนตายแบบชั่วคราวตายแบบประมาณสักแตดชั่วโมงหกชั่วโมงช่วงนั้น ร่างกายก็ไม่มีไม่ได้ไม่ทำงานไม่สามารถที่จะไปหาลูกเสียงกลิ่นรสมาให้ใจได้เสกได้สัมผัสได้ตอนที่นอนหลับเมื่อไม่มีลูกเสียงกลิ่นรสมาทางตาหูจมูกนิ่กายของร่างกายลูกเสียงกลิ่นรสก็เลยมาจากจากบุญหรือบาป ท, ที่เคยได้ไปทำเอาไว้นั่นเองเวลาเราทำบุญใจก็จะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดจากการทาบุญฝังไว้ในใจ ความรู้สึก <rar> ต <ian> ่างๆเวลาทำบุญเราก็จะเกิดความสุขใจมันก็จะบันทึกไว้ในใจของเราเวลาเราทำบุญเราก็จะมีเหตุการณ์มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญมันก็จะอัดไว้บันทึกไว้ในใจของเราเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีเรื่องที่ให้ความสุขกับใจเวลาที่นอนหลับถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปถ้าเป็นวาละของบุญที่จะแสดงผล บนก็จะสร้างเรื่องราวที่ดีคือฝันดีนั่นเองฝันให้เราได้สัมผัสกับเรื่องราวที่ดีในขณะที่เรานอนหลับ<ม>ถ้าเราไปทําบาปไว้<ม>ใจก็จะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการทําบาปของเรา<ม>แล้วก็บันทึกความรู้สึกที่ไม่ดี<ม>เวลาเราทําบาปใจเราจะทุกข์ใจจะรู้สึกกังวลหวาดตัวต่าง ๆ, ๆมันก็จะฝังอยู่ในใจของเรา พอเวลาเรานอนหลับหรือเวลาเราตายไปถ้าบาปมันมีกำลังมากที่จะมาแสดงผลมันก็จะสร้างความฝันร้ายให้กับเรา mm hmm. นั่นแหละคือสวรรค์หรือนรกก็คือความฝันนี่เองเวลาที่ร่างกายตายไปใจก็จะไปอยู่ในโลกของความฝันเพราะใจตอนนั้นไม่มีร่างกายที่จะใช้ตาหูจมูกนิ้วกายของร่างกาย ไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพได้ใจก็เลยถูกก็ก็เลยต้องเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์เรื่องราวต่างๆที่ได้ทำมาไว้ในขณะที่ยังไม่ตายคือเรื่องที่ดีก็เรียกว่าบุญเรื่องที่ไม่ดีก็เรียกว่าบาปบุญและบาปนี้จึงเป็นตัวที่มาสร้างสวรรค์หรือสร้างอบายสร้างนรกให้กับใจ อบายนี้ก็มีแบ่งไว้อยู่สีสที่ด้วยกันถ้าได้เกิดถ้าได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดราาัจฉานถ้าทําบาลด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าการทําบาปนี้เป็นการกระทําที่มีโทษตามมาคือผู้ที่ทําบาลด้วยเพื่อเป็นการเลี้ยงชีพก็คิดว่ามันเป็นเรื่องจําเป็น คนเราจะต้องอยู่ต้องมีชีวิตอยู่ได้และการมีชีวิตอยู่ได้บางทีก็ต้องไปทำบาปเช่นทำอาชีพที่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้น<ม>ความคิดแบบนี้ก็เป็นความคิดแบบเดียวกับพวกสัตว์เบลฉ า, านสัตว์เบลฉ า, านเขาก็อยู่กันด้วยการฆ่ า, ก, ากันสัตว์ใหญ่ก็ฆ่าสัตว์น้อยกินสัตว์น้อยเพื่อเพื่อความอยู่รอดเหตนั้นถ้ามาเป็นมนุษย์แล้วทำอาชีพ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อความอยู่รอดของตนอันนี้ใจก็เป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานพอร่างกายนี้ตายไปถ้าบาปที่ทําไว้มีมากกว่าบุญบาปนี้ก็จะส่งให้ใจไปเกดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วถ้าถ้าไม่ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยอันนี้เราก็เรียกว่าโรกเปรต พวกเปรนี้เป็นพวกที่เวลามีชีวิตอยู่นี้จะทำบาบด้วยความโลภอยากจะได้อะไรมากๆ ก, ก็มักจะไปทำบาปเราะอาจจะไม่สามารถหาได้โดยวิธีสุจริตก็เลยต้องไปหาวิธีทุจริตไปช่อโกงไปลักทรัพย์ไปโกหกหลอกลวงหรือไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่นเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้มามากๆ พที่ทำบาปด้วยความโลภจึงไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยเพราะว่าความโลภนี้ไม่ได้ให้ความอิ่นความพอกับดวงใจไม่ให้ความอิ่งความพอกับดวงวิญญาณความโลภนี้ต่อให้โลภให้ได้มามากน้อยเพียงไรความโลภก็ไม่เคยให้ความอิ่งความพอกับใจแต่กลับจะมีให้แต่ความหิวโหยกับใจอยู่เรื่อยถ้าทำบาปด้วยความโลภ เวลาตายไปใจก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยที่เราเรียกว่าเปรตส่วนอบายที่สามเรียกว่าอสุลกาย<ม>ก็คือผู้สำหรับผู้ที่ทำบาปด้วยความกลัว<ม>กลัวว่าจะถูกสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มาทำร้ายตนก็เลยไปทำร้ายเขาก่อน<ม>เพื่อป้องกันตัวเรา<ม>ทำร้ายสัตว เวลาเราเจอสัตว์ร้ายขึ้นมาเราก็รีดฆ่าเขาก่อนเจองูเราก็ตีงูเป็นต้นเจอมแมลงต่างๆเราก็ฆ่ า, มาแมลงกันอันนี้เรียกว่าเป็นการทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าสัตว์เหล่านั้นจะมาทำร้ายเราทำให้เราอยู่ไม่สุขไม่สบายเราก็เลยต้องป้องกันตัวเราด้วยการไปทำล้ายเขาก่อนอันนี้เรียกว่าทำทาบาปด้วยความกลัว ถ้าทำบาปด้วยความกลัวแล้วดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความกลั ว, ล ว, ลวครอบครอบงำดวงวิญญาณมีแต่ความรู้สึกหวาดกลัวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าฝันกวฝันแต่เรื่องที่น่าหวาดกลัวทั้งทั้งทั้ ง, ท, งทั้งหลาย น, นี่ก็คือดวงวิญ ญ, ญาณที่ทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอนุสตรกายส่วนส่วนนรกนี้ก็คือ ที่ไปของผู้ที่ทําบาปด้วยความมาคาดพยาบาทด้วยความเกลียดชังด้วยความโกรธเกียนจองเวรจองกรรมถ้าเวลาเราเป็นจองเวรจองกรรมไถ่แล้วเราไปทําร้ายของไปฆ่าของเวลาตายไปเราก็จะไปไปนรกกันนรกก็คือที่ดวงวิ ญ, ญญาณอยู่ด้วยความร้อนระอุจากความโกรธ จากความอาฆาตพยาบาทต่างๆนี่คือที่ไปของผู้ของดวงวิญญาณหรือดวงดวงจิตดวงใจที่ทําบาลด้วยสาเหตุต่างๆทําบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็ไปเป็นศารร์เดลฉานทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตทำบาลด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสุรกายทําบาลด้วยความอาฆาตพยาบาท ก็จะไปเป็นไปนรก<ม>บาปที่ทำไว้นี้มันก็มีมีเวลาที่มันจะหมดกำลังได้<ม>พอบาปหมดกำลังลงมไม่สามารถดึงให้ดวงวิญญาณอยู่ในอบายได้<ม>ก็จะเป็นเวลาที่ดวงวิญญาณนั้นจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยี<ม>ก็จะต้องมารอเวลาให้มีร่างกายสร้างขึ้นมาใหม่จากพ่อแม่คนใหม่ม พอได้จังหวะได้โอกาสก็จะได้ไปได้รับร่างกายใหม่เพราะดวงวิญญาณนี้สามารถส่งกระแสวิญญาณที่ไปเกาะติดอยู่กับตาหูจมูกวิจการของร่างกายได้<ม>ก็จะไปเกิดใหม่แล้วพอไปเกิดใหม่ก็จะไปทำอะไรตามที่เคยทำต่อไปถ้าเคยทำบาปก็มักจะติดนิสัยการทำบาปมาถ้าเคยทำบุญ พวกที่ทำบุญนี้เวลาตายไปก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆเวลาบุญที่ส่งให้ไปอยู่สวรรค์ชั้นต่า ง, างๆหมดกําลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พวกที่กลับมาเกิดมาจากสวรรค์ก็มักจะมีนิสัยใจบุญสุนทานเป็นคนมีอกความอบอ้อมารีมีความเมตตากรุณาแล้มักจะเป็นทำในสิ่งที่ดี ทำบุญทำกุศลต่างๆส่วนพวกที่มาจากที่จากกบาย <S <S ก็จะเป็นพวกที่มีนิสัยไม่ดีติดตัวมาเป็นนิสัยที่ชอบทําร้ายพูดรังแก่พูดเป็นต้นนี่คือสาเหตุที่ทําไมคนเราที่มาเกิดในโลกนี้จึงมีหลากหลายด้วยกันเพราะที่มาของแต่ละคนนี้มาจากที่ต่าง ๆ, ๆกัน มาจากกบายบ้างมาจากสวรรค์บ้างผู้ที่มาจากสวรรค์ก็มีนิสัยของชาวสวรรค์ผู้ที่มาจากกบายก็มีนิสัยของของชาวอบายพวกที่มาจากกบายก็เป็นพวกที่ชอบทำบาปเวลาอยากจะได้อะไรทำอะไรมักจะใช้วิธีทำบาปส่วนพวกที่มาจากสวรรค์นี่ก็มักจะเป็นพวกที่ไม่ชอบทำบาปแตชอบแต่ทำบุญ จะทําอะไรอยากจะได้อะไรก็ทํา ด, ด้วยวิธีการที่สุดจริตไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ทํำบาปไม่ทําร้ายใครแล้วถ้ามีมีสิ่งของมีข้าวของเงินทองเหลือใช้ก็มักจะไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเป็นต้นนี่แหละคือที่ท่านบอกว่าเรามีกรรมเป็นของของตนพวกเรามาเกิด กรรมก็คือนิสัยที่เราเคยทำมานิสัยทำบุญหรือนิสัยทำบาทนิสัยทำดีหรือนิสัยทำชั่วนี่พอรามาเกิดเราจึงมีความมีนิสัยต่างกันถึงแม้จะมาเกิดในครอบครัวเดียวกันมาจากพ่อแม่คนเดียวกันก็ตามแต่นิสัยของลูกที่มาเกิดนี้ไม่เหมือนกันเพราะนิสัยนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่นิสัยนี้มาจาก จากสันดานจากกรรมที่ได้เคยทำไว้ในใ น, ในชาติก่อนนี่นิสัยชอบทำบาปหรือนิสัยชอบทำบุญนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่มาจากชาติก่อนเคยทำบาปมาก่อนมันก็จะติดนิสัยนั้นมาเคยชอบทำบุญมาก่อนมันก็จะติดนิสัยนั้นมานี่แหละเป็นตัวที่พาให้เราต้องมาสุขมาทุกข์กัน มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดยนกว่าเราจะมีโอกาสได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราถึงจะได้เรียนรู้ว่านอกจากการทำกรรมที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดแล้ว<ม>เหตุที่ทำให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดในที่สูงที่ต่ำนี้<ม>ก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนี้ ถ้าเราเห็นว่าการมาเวียนว่ายตายเกิดถึงแม้ว่าจะมาเกิดดี<อ>เกิดในสุขสติ<อ>เกิดเป็นมนุษย์ที่ร่ารวยเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความสุขหรือข้ามเป็นดวงวิ ญ, ญญาณก็เป็นเทวดาก็ตา่างแต่มันก็ยังมีความทุกข์อยู่เพราะทุกครั้งที่มาเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย ก็จะต้องกลับมาเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆตายไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเกิดใหม่เพราะเหตุที่พาให้มาเกิดนี้ยังไม่มีใครรู้จักวิธีกําจัดมันไม่ให้ทําให้ใจจะต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้เท้งนั้นผู้ที่จะผู้ที่พบความจริงว่าเหตุของการ ทีด่ดอยู่ดวงวิญญาณนี้ยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆนี้มันเกิดจากความอยากต่างๆของใจนี้ความอยากเสพลูกเสียงกลิ่นรสสดสะพาก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมีก็ต้องมีร่างกายความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้มันก็เป็นเหตุที่จะทำให้เราจะต้องกลับมาเกิด อยากร่ำอยากรวยนีย่ว่าภาวะตัณหาอยากมีภาวะตัณหาก็ตัว อ, อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากจะอยู่ไปนานๆเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นเหตุที่จะทำให้ดวงวิญญาณนี้จะต้องคอยกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยเพราะเวลาไม่มีร่างกายก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องมือในการไปหาความสุขจากโลกธรรม ท, ทั้งสี่ คือลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงจิตนรสโพธภชนิดต่างๆแต่การมาเกิดนี้ถึงแม้ว่าจะได้ได้มาเสกความสุขในช่วงหนึ่งช่วงในตอนที่ร่างกายแข็งแรงในช่วงที่ร่างกายสามารถที่จะไปหาราบยศสรรเสริญหาลูกเสียงจิตนรสโพธภาษมาเสกได้แต่มันก็เป็นช่วงช่วงหนึ่งของชีวิต มันยังมีอีกช่วงหนึ่งคือช่วงที่ร่างกายจะไม่ค่อยสามารถที่จะไปหาความสุขจากโลกธรรมทั้งสี่ได้ก็ช่วงที่ร่างกายแก่หรือร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือช่วงที่ร่างกายจะตายช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่จะไม่สามารถที่จะหาความสุขต่างๆได้และเมื่อไม่สามารถหาความสุขได้ก็จะทำให้ใจเกิดความเศร้า ก็แล้การซึมเศร้าก็แกลการหงุดหงิดก็แกลการว้าเเห่เศร้าซ้อยหงอยเหงาจนบางครั้งก็จะทําให้ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเลยเพราะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ต่อไปอันนี้อะเป็นเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์การมาเกิดนี้มันมีสองส่วนมีทั้งสุขแล้วมีทั้งทุกข์ ความสุขมันมักจะมีในช่วงเริ่มต้นของชีวิตช่วงที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงที่สามารถไปหาความสุขจากโลกกระทำได้แต่พอเข้าสู่บ้านปลายของชีวิตนี้นมันเป็นช่วงที่ร่างกายไม่สามารถที่จะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้และเป็นช่วงที่ร่างกายจะต้องมีโรคภัยใข้เจ็บมีการเจ็บปวดตามร่างกายต่างๆ อันนี้จะเป็นช่วงที่จะทุกข์ทรมานมากใครพอมาเึ็นช่วงช่วงบันปลายของชีวิตก็มักจะไม่อยากจะมาเกิดกันก็ไม่เห็นเห็นโทษเห็นโทษของความแก่ของความเจ็บและของความตายว่ามันสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจอย่างยิ่งแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะว่าไม่มีความสามารถที่จะรู้ถึง ต้นเหตุของการที่พาให้ดวงวิญญาณมาเกิดอยู่เรื่อยๆว่ามาเกิดจากเกิดจากความอยากทั้งสาประการอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐัพพะกามาตหาอยากมีอยากเป็นอยากร่าอยากรวยอยากมีความสุขนีเรียกว่าภาวะตัณหาแล้วก็อยากไม่มีความทุกข์อยากมีแต่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอันนี้ก็เรียกว่าวิภาวะตัณหา ความอยากทั้งสามนี้แหละเป็นเหตุที่พาให้ด <c> ว <oughs> งวิญญาณหรือจิตนี้ไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะว่าต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการให้ความสุขกับใจนั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะไม่มีใครรู้ว่าเป็นเหตุที่พาให้มาเกิดกันนอกจากจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกนี้สักครั้งหนึ่ง พระบุตเจ้าเป็นคนที่ฉลาคนที่คิดรอบคอบคิดถึงเหตุคิดถึงผลต่างๆก็ทำให้พระองค์นี้ทรงค้นพบว่าเหตุที่พาให้สารโลกที่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆก็เพราะเหตุของก็เพราะเหตุคือตัณหาความอยากทั้งสามนี่เอง อยากจะเสดจลูกเสียงกลิน่นลดผลถภาก็ต้องมีร่างกายที่มีตาหูจมูกลิ้นกายอยากจะมีความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือไปหามาอยากจะไม่มีความทุกข์ก็ต้องดิ้นรนพยายามต่อสู้โดยวิธีการต่างๆอันนี้จึงเป็นเหตุที่พาให้มีการมาเกิดอยู่เรื่อยๆ เมื่อมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายตามมาทุกครั้งไปถ้าไม่อยากที่จะต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องหยุดการเกิดเท่านั้นพอถ้าเมื่อไม่มีการเกิดแล้วก็ย่อมไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายตามมานั่นเองและเหตุการที่จะทำให้ไม่มาเกิดได้ก็ต้องหยุดเหตุที่พาให้มาเกิดกัน เหตุที่พาให้มาเกิดกันก็คือความอยากทั้งสามประการนี้คือกามาตัาหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาและการที่จะมาหยุดความอยากเหล่านี้ได้ก็จาเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าใช้ในการที่จะหยุดความอยากเหล่านี้ก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานี่ ถ้ามีทานศีลภาวนาก็จะสามารถที่จะกำจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้เมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วการที่จะมาเกิดใหม่ก็จะไม่มีอีกต่อไปดังนั้นสิ่งที่ผู้ที่ต้องการที่จะยุติการมาเวียนว่ายตายเกิดก็คือต้องไปสร้างเครื่องมือขึ้นมา เคืงมือที่จะต้องสร้างก็มีสองระดับด้วยกันสำหรับนักบวชก็ให้ใช้ศีลสมาธิปัญญาถ้าสำหรับฆราวาสผูกครองเลีอยก็ให้ใช้ทานศีลภาวนาภาวนาก็คือสมาธิและปัญญานี่ระหว่างนักบวชกับฆราวาสที้ต่างกันตรงที่นักบวชนี้ไม่ต้องทำทานแล้วเพราะว่าไม่มีเงินทอง เวลามาบวชนี้มีเงินมีทองเท่าไหร่ก็ให้ทำทานไปให้หมดส่วนนักบวชนี้ได้ทำทานไปหมดแล้วไม่มีเงินทองเป็นทองของตนแล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำทานอีกต่อไปทำไมจึงต้องทำทานเพราะว่าเงินทองที่หามาได้นี้ส่วนใหญ่จะถูกเอาไปใช้ในใช้ตามความอยากต่างๆเวลามีเงินมีทองล้วก็อยากจะใช้เงินไปหาความสุข หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเช่นไปเที่ยวการตามสถานที่ต่างๆไปดูไปฟังอะไรไปดูไปชมอะไรไปฟังอะไรไปดื่มไปรับประทานอะไรไปซื้อของที่ไม่จําเป็นต่างๆของฟุ่มเฟือยต่างๆเราก็ต้องใช้เงินทองกันการใช้เงินทองแบบนี้เป็นการใช้ตามความอยากตามกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหา มันก็เลยไปทําให้เกิดเป็นการสนับสนุนให้ตันหาความอยากนี้มันมีกำลังมากขึ้นไม่ได้มีกำลังลดน้อยถอยลงไปถ้าเราต้องการที่จะสกัดความอยากการส่งเสริมความอยากเหล่านี้เราก็ต้องไม่ใช้เงินทองไปตามความอยากไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้มาเอาเงินทองที่เราจะไปซื้อความสุขเหล่านี้ไปกับให้กับการทาบุญทาทานแทน เพราะเวลาทำบุญทาทานนี้เราก็จะไม่ต้องไม่ต้องใช้เงินก้อนนี้ไปให้กับการทำตามความอยากต่างๆความอยากที่มันจะเกิดขึ้นหรือขยายตัวก็จะไม่ขยายตัวความอยากที่อยากจะใช้เงินทองพอไม่ได้ใช้เงินทองความอยากนี้มันก็จะถูกลดกำลังลงไปเรื่อยๆคนที่ทำบุญทาทานอยู่สม่าเสมอนี้ นักจะไม่ค่อยมีความอยากที่จะไปหาความสุขจากการใช้เงินเพื่อไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเท่าไหร่เช่นไปเที่ยวไปไปเที่ยวไปดูไปฟังอะไรเพื่อไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆเพราะเวลาทําบุญทําทานนี้ก็จะได้ความสุขจากการทําบุญทําทานได้ความสุขใจอิ่มใจจึงทําให้สามารถที่จะละเล้ อ, ล อ, ลอความอยาก การที่จะใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆได้ถ้าทำไปเรื่อยๆต่อไปก็จะไม่ใช้เงินทองไปในการที่จะไปซื้อความสุขไปสนับสนุนความอยากกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาความอยากทั้งสามนี้ก็จะอ่อนกำลังลงในระดับของทานถ้าไปถ้าถึงเวลาก็สามารถไปบวชได้ เพราะว่าสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องใจไม่ต้องอาศัยการไปหาความสุขจากการไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไปดูไปฟังอะไรต่างๆเพราะใจได้จากได้ความสุขจากการทาบุญจากการทาทานนีอ้อันนี้ก็เป็นสําหรับผู้ที่ยังมีเงินมีทองอยู่ยังใช้เงินใช้ทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายอยู่ควรจะระับ เพราะว่านี้เป็นการก่อภพก่อชาติเป็นการสร้างกําลังให้ของให้กับความอยากให้มีกําลังมากขึ้นพอได้ไปเที่ยวครั้งนี้แล้วมันก็จะมีความอยากจะไปเที่ยวครั้งต่อไปพอไปได้ซื้อของฟุ่มเฟือยชิ้นนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมีความอยากที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยเพิ่มไปเรื่อยๆไม่มีวันจบไม่มีวันซึ้นมันก็จะทําให้เราติดอยู่กับการหาเงินหาเงินแล้วก็ได้เงินมาก็เอาเงินมาใช้ตามความอยาก แล้วความอยากตอนนี้มันก็จะเป็นตัวที่จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปในภพหน้าหลังจากที่ร่างกายของเรานี้มันตายไปความอยากนี้มันก็ยังมีฝังอยู่ในใจมันก็จะดึงให้เรากลับมาหาเงินหาทองอยู่เรื่อยเพื่อจะได้ใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆ น, นี่คือสิ่งที่เราต้องทาถ้าเรามีเงินทองถ้าเราใช้เงินทองเพื่อเป็นเครื่องมือในการหาความสุข ต่างๆในโลกนี้เราควรจะเปลี่ยนวิธีใช้เงินแทนที่จะใช้เงินไปเที่ยวไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็เอาไปทําบุญทําทานแทนเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ทําให้ใจเราอิ่มอิ่มและลดความอยากที่จะไปหาความสุขทางต า, งต า, งตางหูจบุกนิ้นกายได้อันนี้สําหรับผู้ที่ยังใช้เงินใช้ทองเพื่อซื้อความสุขอยู่ก็ต้องรู้จักใช้วิธี ซื้อความสุขที่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องก็คือใช้ไปกับการทำบุญทาทานถ้าเราไม่มีเงินไม่มีทองแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราไปบวชเวลาเราไปบวชนี่เราก็ไม่ต้องใช้เงินทองเพราะว่าจะมีผู้ที่มีศรัทธาที่จะสนับสนุนนักบวชให้ให้มีเวลาได้ปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่พอเป็นนักบวชก็ก็จะไป มุ่งไปสู่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือศีลกับภาวนาเพื่อลดละความอยากต่างๆเพื่อตัดความอยากต่างๆให้มันน้อยลงไปให้มันหมดไปตามลําดับการรักษาศีลก็เป็นการสกัดกั้นความอยากที่จะทําบาปต่างๆนี่เองเวลาอยากได้อะไรถ้าเราไม่ได้โดยวิธีสุดจริตก็มักจะต้องไปทําบาปกันคนที่ไปรักทรัพย์ของผู้อื่นก็เพราะว่าอยากจะเอาทรัพย์นี้ไป ไปซื้อความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งพอไม่สามารถหาทรัพย์ด้วยวิธีสุดจริญได้ก็มักจะต้องไปหาโดยวิธีทุจริญเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วมันเกิดความรู้สึกทรมานใจจะให้ความทรมานใจหายไปก็ต้องไปทำต่างความอยากให้ได้เมื่อไม่สามารถใช้เงินหาเงินทองด้วยวิธีสุดจริได้ก็จะต้องไปหาโดยวิธีทุเจริญกัน แต่ถ้าเรามีการรักษาศีลมีการห้ามใจไว้ล่วงหน้าว่าห้ามทำบาปโดยเด็ดขาดห้ามฆ่าสัตว์ห้ามรักษาห้ามประพฤติผิดประเพณีห้ามพูดปดห้ามเด่นสุรายาเมาของบุญเมาต่างๆเพราะเราถือศีลเวลาเกิดความอยากจะไปทำบาปเราก็จะไม่ไปทำได้อันนี้ศีลก็ช่วยสกัดความอยา ก, ต, กตัดกำลังของความอยาก แต่ไม่ได้ทำลายให้ความอยากนั้นมันหมดไปใดอย่างใดเพียงแต่สกัดกั้นมันไว้ไม่ให้มันมีกําลังเพิ่มมากขึ้นไปเป็นการตอนมันตัดกําลังมันเท่านั้นเองแต่มันยังไม่ตายวิธีที่จะทำให้ความอยากตายนี้ต้องต้องอาศัยอีกสองวิธีด้วยกันก็คือวิธีของสมาธิและวิธีของปัญญาวิธีของสมาธินี้ก็จะทำให้หยุดความอยากได้ชั่วคราว เวลาเราฝึกสมาธิเราจเจริญสติเวลาจะทำสมาธินี้เราจะต้องมีสติสตินี้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ใจสงบเป็นสมาธิคำว่ะสมาธินี้ก็คือความนิ่งสงบของใจใจไม่คิดปรุงแต่งอะไรเลยใจนิ่งสงบสักแต่ว่ารู้เฉยๆนี่เรียกว่าสมาธิแต่ก่อนที่เราจะทำให้ใจให้นิ่งไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้เราต้องใช้สติเป็นตัวคอยสกัดกั้นความคิดของใจ เราต้องฝึกสติก่อนที่เรามานั่งสมาธิถ้าเราไม่ฝึกสติมาก่อนมานั่งสมาธิเลยนี่เราจะไม่สามารถนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เพราะใจมันจะไม่ยอมหยุดคิดมันจะคิดเรื่อยเปื่อยไปเพราะมันไม่เคยถูกสกัดกั้นมาก่อนไม่เคยถูกห้ามไว้ก่อนนั่นเองดงนั้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิเพื่อให้ใจนิ่งสงบเป็นสมาธิได้เราจะต้องคอยสกัดกั้นความคิดคอยหยุดความคิด ด้วยวิอุบายของสติอุบายของสตินี้ก็มีหลายวิธีด้วยกันนะวิธีที่เราง่ายที่สุดที่เรามักใช้กันก็คือการใช้พุทธานุสติคือการใช้ความระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์มที่เราจะใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อไม่ให้จิตใจลอยไปกับความคิดต่างๆถ้าจิตใจเรามีพุทธโธ เช่นเราพอเราเลืนตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาเราก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะไปทําอะไรไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันไปแต่งเนื้อแต่งตัวไปรับประทานอาหารถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ใจจะไม่ไปอดีตที่ผ่านมาใจจะไม่ไปอนาคตใจก็จะอยู่ที่ปัจจุบันจะอยู่สักแต่ว่ารู้รู้เฉยๆไป ก็ยังอาจจะมีความคิดอยู่ยังไม่นิ่งสงบเต็มที่แต่การมีสติคอยสกัดความคิดมันจะทําให้ความคิดนี้ลดกําลังน้อยลงไปได้และพอถึงเวลาที่เราจะมานั่งสมาธิเพื่อทำให้ใจนิ่งสงบไม่ให้คิดอะไรเลยมันก็จะสามารถทําได้ตอนที่เรามานั่งสมาธิเราก็ต้องมีสติคอยกำกับใจไม่ใช่ให้นั่งเฉยๆถ้าเราใช้คําบริกรรมพุทโธมา เป็นวิธีจารเจริญสติเราก็สามารถใช้คําบริกรรมพุโทโธไปเวลาที่เรานั่งสมาธิต่อไปได้เลยและไม่จําเป็นจะต้องใช้ลมหายใจใช้คําบริกรรมพุโทโธเพียงคําเดียว ก, ก็ใช้ได้ไม่จําเป็นเราจะต้องเอาพุโทโธไปผูกไว้กับลมหายใจแต่ถ้าจะเอาไปผูกด้วยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรทําได้เหมือนกันแต่มันจะยุ่งยากกว่าก่อนการที่เราใช้คําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธคําเดียว แต่สำหรับคนบางคนเขาอาจจะต้องใช้การพุโทโธบวกไปไปควบคู่กับการดูลมหายใจก็สามารถทำได้อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เจริญสติมาก่อนความคิดมันเยอะก็เลยต้องต้องใช้พุโทโธควบคู่ไปกับลมหายใจถึงจะสามารถสกัดกั้นความคิดได้แต่ถ้าเราใช้ฝึกสติมาด้วยคาบริกรรมพุโทโธมาก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิ บางทีว่าพอเรามานั่งเราก็สามารถใช้พุโทโธอย่างเดียวต่อไปได้เลยอันนี้ก็แล้วแต่ความพอใจของผู้ปฏิบัติอันนี้ไม่ได้บังคับไม่ได้ห้ามเพียงแต่แนะนําให้ให้ให้รู้ไว้ว่าไม่จําเป็นจะต้องผูกพุทโธไว้กับลมสามารถทําแยกกันได้จะใช้พุโทโธพุโทโธอย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเพียงอย่างเดียวก็ได้หรือถ้า ถ้าอยากจะใช้สองอย่างพุทเข้าโทออกก็ได้อันนี้แล้วแต่ความพอใจของผู้ปฏิบัติข้อสำคัญก็คือขอให้มันดูที่ผลว่าอย่างไหนมันจะทำให้เกิดผลขึ้นมาส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้เจริญสติมาก่อนไม่ว่าจะใช้แบบไหนผลมันก็จะไม่เกิดสาเหตุที่ผลมันไม่เกิดก็เพราะสติมีกำลังไม่พอมีกำลังไม่พอที่จะทำให้ใจหยุดคิดที่จะทาใช้ใจให้นิ่งได้ ถ้าอยากจะทําให้ใจให้นิ่งเวลาที่เรานั่งสมาธินี้เราต้องเจริญสติมาก่อนเวลาที่เราจะมานั่งต้องเจริญให้มากๆพระปฏิบัตนินี้ท่านเจริญทั้งวันทั้งคืนเลยตั้งแต่ลืีตาขึ้นมาจนก็ทั่งถึงเวลาหลับนี้ท่านถืองานเจริญสตินี้เป็นงานสําคัญที่สุดเป็นงานหลักไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามไปบินธบาต ท, ท่านก็จะเจริญสติควบคู่ไปกับการบินธบาติ<ม>เวลานั่งขบชั้น ท่านก็จะกบฉันไปด้วยการมีสติมีการใช้สติควบคุมการเคลื่อนไวหวการกระทําต่างๆของร่างกายในทุกอิริยาบทถ้ามีการเจริญสติแบบนี้เวลามานั่งสมาธิไม่ว่าจะใช้แบบไหนจะใช้คําบริกนรำพุทธโธหรือใช้นมหายใจเข้าออกหรือจะใช้พุทธเข้าโทออกมันก็จะสงบได้ง่ายเพราะว่ามีสติมาเพราะได้เจริญสติมาอย่างต่อเ น, นื่องได้สกัดกั้นความคิด ไม่ให้มันคิดมากดอนเวลามานั่งเฉยๆมันก็เลยทำให้จิตสงบได้อย่างง่ายได้อันนี้แหละคือเคล็ดลับของการนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดผลไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะใช้แบบไหนใช้พุโทโธหรือใช้ลมหายใจเข้าออกหรือใช้พุทเข้าโทรอมันอยู่ที่การมีสติหรือไม่ก่อนที่เราจะมานั่งเราฝึกสติก่อนที่เรามานั่งหรือไม่ ถ้าเราไม่ฝึกสติมาก่อนทั้งวันนี้ปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟุ้งไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเวลามานั่งมันก็ฟุ้งต่อไปถ้าเราทำงานทั้งวันอย่างนี้เวลาตอนเย็นก่อนตอนค่ำก่อนเราจะนอนเราจะมานั่งสมาธิบางทีนั่งไม่ได้เพราะความคิดที่เกี่ยวกับงานที่ไปทำในช่วงกลางวันนี้มันยังตกค้างอยู่ในใจอยู่มันไม่ได้รับการสกัดกัน้น การที่จะทําสมาธิให้ได้ผลดีจึงจําเป็นที่จะต้องไม่มีงานอย่างอื่นเช่นเป็ น, ปนไปเป็นนักบวชอย่างเนี้ยถ้าเป็นนักบวชก็จะไม่มีงานอย่างอื่นต้องทํานอกจากงานเจริญสตินั่งสมาธิแล้วางานเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับการดูแลเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ทำความสะอาดของสถานที่เท่านั้นซึ่งไม่ต้องใช้ความคิดมากมายไม่เหมือนกับงานทำมาหากินของผู้คลองเรือน ผู้ข้องเรือนี้ไป็นธรรมรกิจนี้จะต้องใช้ความคิดมากเกี่ยวกับเรื่องการงานต่างๆเพราะจะมีปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆที่จะต้องคิดต้องแก้กันมันก็เลยทําให้ต้องใช้ความคิดมากถ้าใช้ความคิดมากแล้วเวลามานั่งสมาธินี้จะนั่งไม่ได้กันอ น, นี้แหละคือสิ่งที่จะต้องถ้าเราต้องการจะหยุดความอยากเราต้องฝึกสติฝึกสมาธิทําจิตใจให้นิ่งให้สงบให้ได้ เพราะความอยากนี้มันอาศัยความคิดเป็นเครื่องมือถ้าเราไม่คิดความอยากมันก็เกิดโผล่ขึ้นมาไม่ได้ถ้าเราไม่คิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวเราก็ไม่มีความอยากไปท่องเที่ยวก็ไม่เกิดถ้าเราไม่คิดถึงภาพยนตร์ละครเราก็จะไม่ความความอยากที่อยากจะไปดูภาพยนตร์ละครมันก็จะไม่เกิดแต่พอเราไปคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวความอยาก มันก็จะตามมาทันทีถ้าเราคิดถึงภาพยนตรน์ละครความอยากดูมันก็ตามมาทันทีงั้นเราสิ่งที่เราต้องคอยทำอยู่ให้เรื่อยๆก็คือคอยสกัดกั้นความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดเมื่อไม่คิดแล้วความอยากมันก็จะทําทงานไม่ได้เดี๋ยเรานั่งสมาธิเราหยุดความคิดทําใจให้นิ่งสงบปับ๊บพอใจนิ่งสงบปับ๊บความอยากมันก็หยุดทํางานเต็มที่พอความอยากมันไม่ทํางานใจก็จะสงบ สุขขึ้นมาใจก็จะเย็นใจสบายขึ้นมาเหตุที่ทำให้ใจร้อนไม่ใช่อะไรแล้วก็คือความอยากต่างๆนี่เองถ้าสังเกตดูเวลาที่เราอยากได้อะไรนี้ใจเราจะร้อนมากอยากจะไปสถานที่นั้นที่นี้เวลานั้นเวลานี้ใจก็จะร้อนขับรถก็จะรีบเล่งกันแล้วถ้ามีอะไรมาขัดมาขวางก็เกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าความอยากนี้มันทาให้ใจร้อน ถ้าเราสกัดกั้นความอยากด้วยการหยุดความคิดได้ใจก็จะเย็นใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขอันนี้คือขั้นต้นขั้นของขั้นต้นของการหยุดความอยากความอยากก็หยุดความอยากแบบสมาธินี้หยุดแบบได้แบบชั่วคราวหยุดได้ขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นพอออกจากสมาธิมาพอเราเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอผเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ไปไม่มีสติคอยสกัดกั้นมัน ความอยากมันก็จะตามมาได้อยากอยากดื่มบ้าอยากกินมากอยากดูบ้างอยากฟังบ้างแล้วแต่ว่าเราจะไปคิดถึงเรื่องอะไรหรือเวลาตาหูจมูกลิ้นกายเราไปสัมผัสกับรูปเสียงกดลดิ่นรสบางอย่างบางชนิดมันก็จะทำให้เกิดความอยากได้เห็นรูปชนิดนั้นถ้าชอบก็อยากได้ขึ้นมาเห็นเสียงชนิดนั้นได้ได้ยินเสียงชนิดนั้นพอได้ยินก็อยากจะได้ได้ได้ได้ยินมากๆขึ้นไปได้ยินบ่อยขึ้น ความอยากมันก็จะตามมาได้ถ้าเราอยากจะหยุดความอยากในขณะที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าการที่เรามีความอยากปล่อยให้เกิดความอยากขึ้นมานี้มันจะนำพาเราไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้นี่มันเป็นของไม่เที่ยงมันให้ความสุขเราได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวเช่นพอ คิดอยากจะไปเที่ยวพอไปเที่ยวเราก็ได้ความสุขจากการไปเที่ยวแต่พอเรากลับมาจากการไปเที่ยวความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวมันก็หายไปมันก็ทําให้เรารู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวทําให้เราเกิดความอยากไปเที่ยวใหม่เที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้อะไรมาก็ไม่อิ่มไม่พอเวลาไม่ได้ก็จะทําให้เราทุกข์ใจเสียใจนี่คือโทษของความอยากถ้าเราทําตามความอยากไม่ช้าก็เร็วความอยากมันก็จะนําพาเราไปสู่ความทุกข์ เพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ให้ความสุขกับเรามันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่เทียงแท้แน่นอนไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวแล้วเราก็ไม่สามารถไปทำให้มันเป็นของชั่วของถาวรได้ให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดได้เพราะมันไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเรามันเป็นอนัตตามันเป็นสภาวะธรรมทางธรรมชาติ ที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีเกิดมีดับไปของมันตามเหตุตามปัจจัยอยู่ตลอดเวลาเราต้องเราต้องใช้ปัญญาศึกษาเห็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เราไปอยากได้ว่ามันเป็นตายรักษณนี่เองแต่ตอนนี้จังทุกขังอนัตตามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมืนเพราะว่ามันเป็นอนัตตาพอเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราความอยากที่จะไปหามันมาให้ความสุขกับเรามันก็จะมันก็จะหายไป อันนี้เป็นวิธีการกำจัดความอยากได้อย่างถาวรต้องกำจัดด้วยปัญญาด้วยการเห็นไตร ล, ลักษณ์ในสิ่งต่างๆที่เราอยากได้อยากได้าะลาภยศเสรเสริญสุขก็ต้องเห็นว่ามันเป็นไตร ล, ลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้ต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจถ้าเรามีปัญญาสามารถสกัดกั้นความอยากต่างๆที่เกิดขึ้นมาในใจของเราได้ ต่อไปความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจมันก็จะหาใ ห, หมดไปพอความอยากหมดไปมันก็จะไม่มีเหตุที่จะพาให้เราไปเกิดอีกต่อไปเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วก <Overwatch. S 1> ็จะไม่มีอะไรที่จะมาดึงใจนี้ให้ไปเกิดในภพต่างๆได้อีกต่อไปเพราะไม่มีความอยากเป็นตัวผลักดันให้ไปนั่นเองใจก็จะไ ม, ไ, ไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ใจที่ไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็เรียกว่านิพพานนิพพานก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากต่างๆที่เป็นเหตุที่พาให้ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดนี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอนาาันตสาวกทั้งหลายและจะเป็นใจของพวกท่านต่อไปถ้าท่านมีศรัทธาความเชื่อในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาเอาคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนให้ไป ให้ปฏิบัตินี้นำไปปฏิบัติกันก็คือทำบุญทำทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ไปภาวนากันไปฝึกสตินั่งสมาธิแล้วก็ไปเจริญปัญญาวิปัสสนาเพื่อให้เห็นมีดวงตาเห็นธรรมเห็นตายรักเห็นอริยสัจสี่พอเราเห็นตายรักเห็นอะไรอริยสัจสี่ล้วก็จะสามารถหยุดทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไป มความอยากหมดสิ้นไปพบชาติที่จะเกิดตามมาก็จะหมดสิ้นไปเช่นเดียวกันนี่ก็คือเรื่องธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็ที่ว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรยาตาวาเรวาหาปุราปริภูเรนติสากลางังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุ ป, ปกาปติ อิชิตังปะิตังสุมหังคิปะเมวะสมิชฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาวะสุยาาเมณิโชติ阿拉สุยาาสัพพิติโยวิวัจฉาตุสัพพารุโวินัสสตุมาเตภวัตวันตายุสุขิติขายุปภวะ อภิวาธานาัสีบิตะนิจังุทธปะปจายโนจตระะารโธรรมวทันเตอยายุวโนาสุขังภาลาัช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถา ม, ถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวก ถ้าเป็นช่วงหลังจากนี้เราจะไม่สามารถจะตอบได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขยนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ พิมพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมนาคุดจากทางเฟ e บ o o กพระอาจารย์สุชาติ466ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์336 YouTube ดตร75วิทยุออนไลน์11 c l ับ h o u s ์8นาคุด155รวมทั้งหมด 1,051 ท่านค่ะเดี๋ยวมีชาวต่างชาติเขาา้าถามก่อน g e r จอร์ยูเทิ Just yeah, just come over and take the microphone. Yeah, Ah uh, Ajan, thank you for your teaching and guidance. Uh, so far, my meditation, when it's good, I can go to one hour or two hours. Uh, but sometimes when I sit in front of l o m p o u with the guided meditation, can go to three hours. Uh, but I read the book from the Mahbua, h t said, uh, the Dukkha Vedana, investigation of pain. Uh, for deep samadhi, you need to sit like five, six hours, then you fight with the pain. Is is that everyone has to go through? To sit until five hours, six hours, and then fight the pain? well those who w a n t to to experience the ex excruciating pain, you have to sit longer. Okay. Because You don't know what kind of pain you're gonna get later when you get sick. Yeah. So if you can practice beforehand and be able to manage the pain, then when you get sick, then you won't have no problem with your your pain. But if you feel that you cannot go get to that stage, even if you can just pass through the first stage, that's that's quite adequate. So at least you know how to deal with the pain. Maybe not the intensity. But you use the same method anyway. Okay. Is That's this? Uh, mm. It's up to you. If you can, it, it's good. If you cannot, you can at least, at least you should know know how to deal with the pain. Is this the steps going into stream entry? More or less. Yes, you have to be able to uh, face the pain without having any any dukkha, because you will look at the pain as being anatta. Not yourself. I see. The body is not yourself. So the pain that comes from the body is not, just, not your not your your pain. And then you can just leave it alone. Okay. Okay. Thank you. All right. Yeah. Yeah. Be, be, to become a sotapanna, you have to be able to let go of the pain and accept the death of the body. Thank you. Yeah. Not n o afraid of getting sick or or die. Thank you. Because it's not you who get sick s or die; it's the body, and Still, the body is not you. You are the mind. You are the user of the body. Mm. So if you can separate the user from the body, then whatever happens to the body will not disturb the mind. Okay, thank you. Um, my second question is that: Can we use vipassana to go first and then to reach samadhi? Like, like looking at the body is not mine, yeah. and then It's harder, but if you can, if you can do it, you can do it. There's no rule that says you cannot. Oh, it's harder. But it's much harder than using mindfulness. It's harder. To get into samadhi, using mindfulness is easier. Okay. All you have to do is concentrate on a mantra. Okay. But to use wisdom, vipassana, you have to, you have to use uh, the ability to investigate and to separate. And find the cause and the effects of things, and so that is a bit more difficult. But if you are inclined to, with that method, you can use it also. Yeah, okay. Sato. So it's up to you. Some people use wisdom to get into samadhi. So. But very few. Very few. Exceptional okay. cases. Okay. For most people, it's easier just to use mindfulness. Okay. Okay. Thank you, uh, Ajahn. Uh, May you be healthy, uh, long life, and then continue to spread the Dharma. Yeah, and the body. <laughs> I'm always healthy and long life, but the body is not uh, not under my control. <laughs> Thank you, Ajay. Thank you. I'm a uh, l i v i n g today. Sadhu, okay. sadhu, sadhu. Uh, good you. luck to you. Thank you, Ajay. See you online. a u r l i n e r Na g กลาบเรียนถามเจ้าค่ะใจที่นิพพานคือใจที่ไม่ต้องเวียนว่ายกลับมาเกิดแล้วใจไปอยู่ที่ไหนเจ้าคะอยู่ที่เดิมน่ใจอยู่ในโลกทิพเด่งแต่ว่าเป็นใจที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องส่งกระแสะวิญญาณไปเกาะตามรูปเสียงจิตตาหูจมูกนิ้นกายของร่างกาย การบริจาคเลือดถือเป็นการทำบุญหรือไม่ครับแล้วการบริจาคเลือดกับการบริจาคเงินแบบไหนดีกว่ากันครับมันก็แล้วแต่เราจะจะวัดมันนะถ้าเลือดจถ้าเราไปขายมันก็มีคุณค่าราคาในระดับถ้าเราไม่มีเงินเราเราบริจาคเลือดแทนเราก็จะได้คุณค่าราคาของเลือดเหมือนกันเราบริจาคเงิน ดวงจิตที่มาจากอบายหรือจากสวรรค์ทำไมถึงได้มาเกิดกับพ่อแม่เดียวกันแล้วถ้าลูกที่มาจากอบายทำให้พ่อแม่เสียใจเป็นกรรมของพ่อแม่ใช่ไหมครับก็เป็นกิเลสของพ่อแม่นะถ้าพ่อแม่มีธรรมะพ่อแม่ก็ไม่เสียใจพ่อแม่ก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของลูกเป็นเรื่องของกรรมของเขาที่ติดตัวเข้ามาเป็นบุญเป็นกรรมของเขาพ่อแม่ก็จะไม่เสียใจ แต่ถ้าพ่อแม่หวังจะให้ลูกเขาดีแล้วได้ลูกที่ไม่ดีมาพ่อแม่ก็เสียใจเป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นกิเลสคือความอยากอยากได้อยากได้ลูกที่ดีแต่กลับไม่ได้ลูกที่ดีก็เลยทุกข์ใจเสียใจขาาึ้นแต่ถ้ายอมรับความจริงว่าเราอยากไม่ได้ของเหล่านี้มันเป็นเรื่องของบุญบาปของแต่ละคน เราเลือกลูกไม่ได้เวลาเราเราจะเลือกลูกนี้เราจะเลือกเอาลูปคนนั้นลูกคนนี้ไม่ได้แม้สมัยนี้เขาจะมีวิธีการอผสมเทีมอะไรนี้ก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเลือกวิญญาณของลูกได้เลือกแต่ร่างกายของลูกได้แต่เลือกวิญญาณไม่ได้ครับเรียนสอบถามเจ้าค่ะ สุนัขที่บ้านชอบกัดงูสัตว์เลื้อยคานที่เขาพบเห็นอย่างนี้สุนัขของลูกก็จะเวียนว่ายตายเกิดเป็นสัตว์เลื้อยานตลอดอีกใช่ไหมเจ้าคะก็ไม่แน่มันมีเขาไม่ได้ทําบาปอย่างเดียวบางทีก็อาจจะทําบุญก็ได้เขาก็าคอยเฝ้าบ้านให้กับเราเวลาขโมยเข้าบ้านเขาก็เห่าให้กับเรานี้ป้องกันทําประโยชน์ให้กับเราเขกาก็ากาทําบุญไปในตัวนะคะขาเพราะายกันที่เราจะไป จะตัดสินว่าคนนี้จะต้องไปอบายต้องไปนี้อย่างนี้เพราะเราเห็นเขาทำบาปเห็นครั้งเดียวนี้มันเป็นสิ่งที่ทาไม่ได้หรอเพราะในชีวิตของเขาทั้งชีวิตก็อาจจะมีการทำบาปสลับกับการทำบุญไปทำบุญทําบาเมาผลก็คือว่าอยู่ตอนตายนั้นบาปกับบุญที่ทำไว้อย่างไหนมันมากกว่ากันถ้าบาปมากกว่ากันมันก็จะเดินใจไปเกิดในอบายถ้าบาปมันมีกาลังมากกว่าบุญมันก็จะเดินใจไปสวรรค์ ถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะสูงสุดของธรรมะคือการรู้จักขันห้าหรือเจ้าค้าพระพุทธเจ้าองค์ใดๆท่านก็จะตรัสรู้ธรรมและสอนธรรมเรื่องการละอุปทานขันห้านี้หรือเจ้าค้าก็จะว่าสูงสุดหรือไม่ก็ไม่ทราบนะเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้ารู้ว่าขันห้านี้มันเป็นมันเป็นใจรักแล้วใจนี้ถูกความหลงหลอกให้ไปคิดว่าเป็น เป็นเป็นตรงเงินข้างวัดไตรลักษณ์ก็คือเป็นนิจจังสุ ข, ขัองนอาตาเป็นสิ่งที่น่าปาถนาแต่ความจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรปาถนะเพราะเมื่อไปไปยึดติกับขันท่าแล้วก็จะต้องเจอกับความทุกข์เพราะความทุกข์เพราะขันท่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันมีเจริญมีเสือ่อมเวลามันเสือ่อมมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับผู้ที่ไปยึดติด คำสักทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะพระอาจารย์ขอเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ปกติพระคนทําอย่างไรคารวาสควรทําอย่างไรคะคือการเป็นลูกศิษย์าอาจารย์นี้โดยตามหลักธรรมชาติก็คือถ้าเราฟังคําสอนของใครแล้วเรานำประคำสอนนั้นไปปฏิบัติก็ถือว่าเราเป็นลูกศิษย์ของคนคนนั้นแล้วถ้าเราฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนํำมาไปปฏิบัติตามเราก็เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้ว โดยที่ไม่ต้องมีการไปทําพิธีว่าขอให้ท่านเป็นครูของเราขอให้เราเป็นลูกศิษย์ของท่านอันนี้มันเป็นเพียงแต่พิธีกรรมแต่ตัวที่เป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์นี้แท้จริงก็คือคนสอนให้กับคนที่ศึกษาถ้าคนไหนศึกษาตามคําสอนแล้วนําอาไปปฏิบัติตามคนสอนคนนั้นก็เป็นลูกศิษย์ของของคนคนนั้นไปของครูคนนั้นไปคําถามจากทางด youtube ดร v ค่ะ การที่เราสงสัยว่าญาติของเรานำสัตว์เลี้ยงของเราที่เลี้ยงมาเป็นสิบปีไปทิ้งหรือให้คนอื่นไปโดยที่เราไม่รู้เราจะบาปไหมคะเราถ้าเขาทำจริงเขาจะบาปไหมคะการสงสัยนี้มันยังไม่บาปเพราะเรายังไม่ได้ไปทำทำ้ายใครแล้วการที่เขาไปปล่อยสุนัขนี้อาจจะเป็นบุญก็ได้เพราะการกัดขังสุนัขนี้อาจจะเป็นบาปแทนก็ได้ แล้วเอยากจะเห็นสุนัขให้มีสรภาพเหมือนเวลาที่เราไปปล่อยนกปล่อยปลาอย่างนี้เราก็ปล่อยให้เขามีสรภาพอิส ร, สรภาพอันนี้ก็เป็นการทําบุญก็ได้ยังไม่มีคําถามค่ะมีใครอยายกจะถามไหมคุณหมอมีอะไรจะถามไห ม, มเชิญนะเข้ามาได้สองไม้ค่ะคุณหมอ พูดใกล้ๆเลยพด้สติกับธาตุรู้นี่ตัวเดียวกันไหมครับหลวงพ่อไม่สติเป็นตัวกํากับธาตุรู้เองธาตุรู้ถ้าไม่มีสติมันก็จะแบบสเปสปะรู้รู้ไปแล้วแต่เราจะไม้มันสัมผัสรับรู้นการรู้ไปเห็นรูปมันก็ไปกับรูปได้ยินเสียงมันก็ไปกับเสียงแต่ถ้ามีสติสติสามารถกํากับใจให้อยู่กับรูปรู้อยู่กับเสียงได้อย่างไงสติเป็นตัวกํากับใจเอง แสดงว่าตัวเราทแท้ๆนี่คือสติไม่หรอมันก็เป็นอาการอย่างหนึ่งที่มีอยู่ภายในจิตความสามารถของจิตเองอที่จะใช้สติคอยกำกับควบคุมบังคับตัวเองให้อยู่ในแนวแนวทางใดแนทางหนึ่งถ้าไม่มีสติมันก็จะสเปะสปะไปเหมือนกับเรือใบที่ไม่มีไม่มีหางเสือี้มันก็จะไปตามกระแสน้ำไปตามกระแสลมแต่ถ้าเรามีหางเสือเราก็จะคอย บังคับให้ยังไปในทิศทางที่เราต้องการจะไปได้สติก็เป็นเหมือนถังสือของเรานะดยวอย่างท่านรู้ที่ประสุทธิ์แล้วของอพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์นี้ยังต้องมีสติไหมหลวก็มีเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ไม่มีกิเลสเท่านั้นเองเทําอะไรก็ไม่ทําด้วยความโลภโกรธหนงก็ยังทําอยู่แต่ทําด้วยความเมตตากรุณามุมิต า, า, ตาอุเบกขาแทนขันห้าก็ยังใช้เหมือนเดิมอ่เหมือนกันขันห้าของพระพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้ากับหลังเป็นพระพุทธเจ้าก็ขันห้าเดียวกัน เหมือนรถยนคันเดียวกันเนี่ยคนขับหายเมากับคนขับเมามันก็คนขับคนเดียวกันแต่ตมันต่างกันนี้เมาหรือไม่เมาชัดเจนนะครับเมาด้วยกิเลสเออมาด้วยกิเลสมันก็ขับมันก็จะพาจิตใจไปทําเรื่องราวที่เสียหายเดือดร้อนกับผู้อื่นแต่ถ้าไม่มีกิเลสมันก็จะพาไปทําในเรื่องที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้อื่นเพียนแต่ว่าขันห้าของพระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อมกับร่างกายแล้วก็ยังเชื่อมันอยู่ตอนที่มีชีวิตอยู่อ๋อครับ องั้นพระพุทธจ้าใช้ขันห้านี่มันแสดงธรรมไปบวดเป็นธบาสนี่ก็ต้องใช้ขันห้าไปบินธบาสแต่พอร่างกายมันอยุดหายใจการเชื่อมต่อมันก็ขาดตอนไปไม่สามารถเชื่อมต่อมันได้แล้วแล้วนามขันยังอยู่ไหมหลวงพ่ออยู่อยู่ในจิตของพของของจิตนะนามขันมันมามันมากับจิตมันเป็นสมบัติมันเป็นสมบัติของจิตจิตทุกดวงมีความสามารถที่จะมีความรู้สึกนึกคิด แล้วก็สามารถเชื่อมส่งกระแสไปรับไปเชื่อมต่อกับร่างกายได้นี่เป็นความสามารถของจิตทุกดวงแสดงว่าพระพุทธเจ้าแล้ ว, ว่าพระอรหันต์ที่ทิ้งร่างกายไปแล้วก็ยังมีนามขันใช้ได้อยู่แต่ท่านไม่ใช้มันมแต่ท่านไม่ใช้มันเพราะท่านติดต่อคนอื่นยากเลยต้องติดต่อคนที่มีมีอภินยาแท่นี้ติดต่อได้ อางหลวงปู่ม่านท่านบอกว่าถ้ามีพระพุทธเจ้ามาเยี่ยมท่านอะไรเงี้ยมาเยี่ยมท่านมาสองท่านเพราะท่านมีอภิญิาท่านจิตจิตของท่านสามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้ติดต่อกับจิตโดยตรงได้จิตต่อจิตได้แต่คนที่ไม่สามารถติดต่อจิตกับจิตโดยตรงก็ไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้ต้องผ่านร่างกายแสดงว่าคําถามที่อาจจะเป็นจิตใตแต่หลวงพ่อเขาตอบว่าก็คือว่าจิตเนี่ยมันกันนามขันเนี่ยมันมาด้วยกันก็มันเป็นคนสมบัติของจิตอืม มันแขนขาที่มากับร่างกายเนี่ยหรือตาหูจมูกนี้มันมากับร่างกายมันเหมนคนคนสมบัติของร่างกายเห็นไหมร่างตับได้ร่างกายมีอยู่มันก็ต้องมีตาหูจมูกในร่างกายครั บ, รบจิตุบดวงไม่ว่าจะเป็นจิตที่ยังเวียนว่ายตายเกิดหรือนะจิตที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกัน แต่ไม่ได้ใช้ใหม่แจะใช้ทําไม่ก็ตามถ้าไม่มีไม่มีไม่มีกิเลสก็ต้องจะไปใช้ทํำอะไรจิตที่ว่านี่คือธาตุรู้นะหลวงพ่อใช่ธาตุรู้เนี่นี่นอกจากมีนามขันแล้วยังมีตัวรู้อีกตัวนความสามารถที่จะรู้ได้ถ้าไม่รู้คนจะไม่รู้เวทนาสัญญาสังขารว่าเป็นยังไงตัวรู้เนี่ยกับตัวบิญยานี่ตัวเดียวกันไหมหลวงพ่อ ไม่จะมันมัน ว, วิญญาณนี้ถ้าเราพูดถึงตัวจิตนี่ก็ตัวเดียวกัน <Okay. S 2> แต่ถ้าเราพูดถึงวิญญาณที่เป็นตัวที่ไปเชื่อมกับร่างกายขนงเตัวกัน mm hmm. วิญญาณที่ไปเชื่อมกับร่างกายเป็นคุณสมบัติของของจิตอีกทีมันกับส่งมันกับส่งส่งกระแสไปที่ตาหูจมูกลิ้นกนายเขาจะได้รับรูปเสียงกิ่น้นกลับเข้ามาอีกทีครับอันนี้เรียกว่าวิญญาณในขันห้าวิญญาณนามขัน แต่บางทีเราเรียกตัวจิตล้วนๆเนี่ยเวลาไม่มีร่างกายมาเป็นดวงวิญญาณครับแต่ดวงวิญญาณนี้ก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ความรู้การรับรู้อะไรต่างๆได้ครับซึ่งอาจจะอาจจะอาจจะงงได้ใ น, นตอนแรกอ่ครับจิตนี้มันรู้ตลอดเวลาอันนี้คือคุณสมบัติของจิตที่ไม่มีอะไรในโลกนี้มีคุณสมบัติหนุนจิตอย่างอื่นดินน้าลมไฟไม่มีคุณสมบัตินี้ไม่ไม่สามารถรู้อะไรได้เลยมีจิตดวงเียวท่ารู้ที่รู้เนี่ย หลัจากรู้ก็ยังมีความรู้สึกเนึกคิดมีนามขันอีกด้วยก็คือเป็นหนึ่งในหกธรรมชาติของจั ก, กรวาลค<ช>ือธาตุหกที่หลวงพ่อเคยเรียกจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่สร้างโลกขึ้นมาก็ได้ต่างโลกทั้งจั ก, กรวาล น, นี้ก็ต้องอาศัยธาตุทั้งหกนี้เป็นตัวองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบสร้างขึ้นมาแล้วอวิชามันเข้ามาตอนไหนหรือะอันนี้ก็ไม่มีใครรู้พระงจ้าพยายามที่จะย้อนกลับไปดูก็ไม่มีจุดเริ่มต้นของอวิชชา อืท่านพยายามย้อนกลับไปดูแล้วเขย้อนกลับไปดูะพราจุดเริ่มต้นของภพชาติอยู่ตรงไหนก็ไม่มีไม่เจออืก็คือแลบรู้แไม่ก็ไม่สําคัญไม่สําคัญสําคัญว่าเราจะหยุดภพชาติได้หรือเปล่าออตัวปัญหาเหมือนคุณบอกบางทีก็ไม่รู้ว่าโลกมันเกิดจากอะไรเยอะรักษาให้ได้รักษาให้โรคหายก็พอครัับเป้าหมายของพุทธศาสนาก็คือรักษาโลกใจครับคือกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจ นั่นเองจะโลกมันมาจากไหนที่ไหนก็ไม่สำคัญสำคัญเมื่อเรากำจัดโลกได้แล้วก็ปัญหาก็หมดไปครับชัดเจนครับหลวงพ่อครับโอเคคำถามหมดแล้วยัง เ, เ, เชิญต่อถามต่อคำถามจากทางเฟ e บ o o กค่ะทำอะไรอะไรเห็นลมหายใจตลอด เห็นใจแว บ, บไปแว บ, บมารู้เฉยๆแล้วเข้ามาอยู่กับลมหายใจเหมือนเดิมขอโทษค่ะรู้เฉยๆแล้วเขามาอยู่กับลมหายใจเหมือนเห็นได้ทุกอย่างค่ะแบบนี้เรียกเจริญปัญญาอยู่ใช่ไหมคะมใช่เแล้วเนีย่ยเป็นการสึกสติการจะเห็นเป็นปัญญาต้องเห็นปลายลัคน์เห็นว่านี่ของสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยงนี้เรียกว่าเป็นปัญญา เดูเห็นว่าความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเราอันนี้ก็เป็นปัญญาอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นตามใจเราตามความอยากของเราใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาอันนี้เรียกเป็นปัญญาแต่ถ้าคอยคอยเฝ้าดูลมอย่างเดียวนี้เรียกว่าสติดูลมหรือบใบกามพุโทโธพุโทโธอย่างเดีย ว, ย เ, ยวเรียกว่าปิการจเจริญสติคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ ขออนุญาตเรียนถามว่าการปล่อยปลาดุกที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นการทําลายระบบนิเวศของธรรมชาติถือเป็นบาปไหมคะไม่บาปหรอกบางทีมันก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องระบบนิเวศอกังวลถึงชีวิตของเขาดีกว่าชีวิตเขาสําคัญกว่าเขาก็ต้องการที่จะอยู่รอดเขาก็ต้อ ง, องการจะมีสารภาพถ้าเราติดคุกแล้วคนอื่นเขาบอกอย่าปล่อยแล้วออกมาเนอะป่อยเราออกมาแล้วไปทําลายระบบนิเวศนี้เขาเราจะยอมไหมนะแล้วก็ บางทีมันก็เคร่งกันเกินไปนะเนี่ยแข่งใบยาทั้งเร็วหลักที่แท้จริงคือความเมตตาคือการให้ทุกคนมีความสุขกันอย่างั้นมนุษย์เราก็เป็นโทษถ้า ต, ตัวทําลายระบบนิเวศไม่มีใครหรอกควจะฆ่ามนุษย์้มันหมดไปเลยระบบนิเวศจะได้<ม>ดี <laughs> <laughs> ใช่ไหมใครมาทำระบบนิเวศเสียนละ่ะใครมาทําให้โลกมันร้องขึ้นลนะ่ะก <laughs> ็มนุษย์เรานี่แหละ <laughs> จะมีใครที่ไหน หมดแล้วยังสมาหมดแล้วก็จะได้ตองพ่อจ้าค่ะถ้ า, ถ, าถ้าจิตไม่มีขันคองคะ่ะแล้วแล้วถ้าเรามีความรู้สึกจิตมันยังจะเจ็บปวดเหมือนตอนที่เรามีร่างกายอยู่ไหมคะเพถ้าไม่มีร่างกายมันก็มันมีความเจ็บปวดแบบตอนที่เรานอนแล้วฝันลายฝันแล้วเราเป็นไขน้มันก็ยังเจ็บได้อยู่ใจสร้างความเจ็บขึ้นมาในใจของตัวเองบุกแต่งขึ้นมานเวลาเนอนหลับแล้วฝันมันเป็นโรคมันเลยอย่างนี้ใจเราก็ เจ็บคิดว่าเราเจ็บกับร่างกายได้เนี่ยแต่เมื่อมันจะไม่มีทางหายไปใช่ไหมคะมันจะติดอยู่กับใจแบบนั้นเลยใช่ไหมคะก็อยู่ที่การปฏิบัติธรรมของเราถ้าเราปฏิบัติธรรมอยู่ในขั้นที่เราไม่กลัวเจ็บมันก็เวลามันเจ็บเราก็ไม่เจ็บกับมันได้เหมือนเราเอาสติใช่ไหมคะปัญญาสติและปัญญามาสอนใจอย่าไปทุกข์กับความเจ็บเราไปเวลาฝันว่ามันเจ็บใจก็ไม่ทุกข์กับความเจ็บได้ในฝัน แต่บางทีหนูบางทีฝันร้ายเจค่ะแต่ตื่นขึ้นมาก็ตั้งสติได้มันก็หาย<ช>แต่แต่ตอนที่มันยังอยู่ในความฝันนะมันเหมือนเป็นไปกับมันเลยค่ะใช่มันเหมือนความจริงเลยเพราะฉะนั้นแ่ะคือเวลาที่เราไม่มีร่างกายจิตมันก็จะอาศัยบุญกับบาปมาสร้างเรื่องราวให้เราได้เสพได้สัมผัสพยายามสร้างเรื่องที่ดีทําแต่บุญทําแต่กุศลพอเวลานอนหลับและเวลาตายไปมันจะมีเรื่องที่ดีปรากฏขึ้นมาในใจให้เราได้เสพกัน คบค okay. หมดแล้วนะยังไม่มีคำถามใหม่ค่ะไม่มีก็มีใครอยากจะถามไหมถ้าไม่มีก็ท่านนี้ก่อนนะขอให้ท่านยงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด